สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเดิมครับจากสุภาษิตบทที่30สุภาษิตบทที่30บข้อที่1ถึงข้อที่เ้าครับภายใต้หัวข้อรู้จักพระเจ้าอย่างที่ทรงเป็นพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายจนถึงข้อที่5นะครับวันนี้จะต่อถึงข้อที่9ครับ แต่ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่9ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการอ่านพระจนะของพระเจ้านั้นเป็นพระพรครับเป็นพรที่มาถึงเราถ้อยคําของอากูบุตรชายยาเคแห่งเมืองมัสสาชายคานั้นพูดกับ E ีทอกับ E ีทอกับอูคารว่าแท้จริงข้าก็เขลาเกินที่จะเป็นคนข้าไม่มีความรอบรู้อย่างมนุษย์ข้าไม่เคยเรียนรู้ปัญญา ทางไม่มีความรู้ขององค์ผู้บริสุทธิ์ใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์และลงมาใครเล่าได้รวบรวมลมไว้ในกำมือของท่านใครเล่าได้เอาเครื่องแต่งกายห่อห่วงน้ำไว้ใครเล่าได้สถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้นามของผู้นั้นว่าอะไรและนามของบุตรชายผู้นั้นว่าอะไรท่านต้องรู้เป็นแน่ เาะจนาทุกคําของพระเจ้านั้นพิชู์เห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลแกบรรดาผู้ริภัยอยู่ในพระองค์อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์เกรงว่าพระองค์จะทรงขนาบเจ้าและเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุษาข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความมุษาและความเท็ดไกลจากข้าพระองค์ ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและกระทาให้พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมนทินพี่น้องครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีคาถาม5ข้อครับ ที่พูดถึงเรื่องของพระเจ้าคำถามห้าข้อนี้อากูซึ่งเป็นผู้แต่งผู้เขียนสุภาษิตบทที่สามสิบนี้ถามอย่างนี้ครับว่าใครเล่าขึ้นไปในสวรรค์และลงมาใครเล่ารวบลมลมไว้ในกำมือใครเล่าเอาเครื่องแต่งกายห่อพ่วงน้ำไว้ใครเล่าได้สถ า, านาที่สุดปลายแผ่นดินโลกน้ำของผู้นั้นว่าอะไรและนามอดชายผู้นั้นว่าอะไร พี่น้องครับทั้งหข้อนี้ก็ได้เล็งถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของพระเจ้านั่นเองเราพบว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สามารถขึ้นไปยังสวรรค์นั้นลงมาในในโลกนี้ได้พระเจ้าสามารถรวบลมไว้ในกำมือได้สามารถที่จะสั่งลมได้พระเจ้านั้นที่จะห่อหุ้มน้ํานะครับก็คือให้น้ําลอยอยู่นะครับก็คือเมฆนั่นเองน้ําลอยอยู่บนฟ้าครับก็คือเมฆอันที่สี่ครับพระเจ้า ได้ทรงเป็นผู้สถาปนาที่สุดปลายแผ่นดินโลกไว้หมายความว่าพระเจ้านั้นทรงขีดเส้นอันไหนคือแผ่นดินโลกอันไหนคือฟ้าสวรรค์และประการที่5ก็คือเรารู้จากพระนามของพระเจ้าครับพระนามพระเจ้าคือยาเวและนามบุตรชายของผู้นั้นก็คือพระเยซูและก็บรรดาบุตรทั้งหลายของพระเจ้าก็คือพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั่นเอง พี่งคับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครที่จะบอกเราได้ยกเว้นไว้แต่พระเจ้าบอกเองครับแล้วการบอกของพระเจ้านั้นมาถึงเราด้วยการเปิดเผยสัมแดงชนิดพิเศษสุดก็คือมีพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคริสตธรรมคัมภีร์นั่นเองดังนั้นในข้อที่5ถึงข้อที่ในข้อที่5และข้อที่6นั้นก็พูดถึงว่าเมื่อรู้เช่นนี้แล้วพระวจนะของพระเจ้านั้นจึงเป็นพระวจนะที่สูงส่งสศักดิ์สิทธิและมีสิธทธิอำนาจอธิปไตยสูงสุด นะครับพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์นั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกับพระเยซูทรงเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสสิ่งที่บันทึกออกมาเป็นพระคิสตัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นั่นแหละครับคือพระวจนะของพระเจ้ารวมทั้งภาคพันธสัญญาเดิมด้วยเช่นเดียวกันครับและ66กเล่ม ที่อยู่ในโฮลี่ไบเบิลหรือพระคิดคำคมพีเป็นพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้วตรงนี้ได้พูดถึงว่าพระวจนะของพระเจ้าทุกคำเนี่ยซึ่งตรงกับใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16กับพระคัมภีร์ทุกตอนทุกคำได้รับการดนใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําดีทุกอย่างและนี่จะเห็นว่าพระวจนะพระเจ้าทุกคํานั้นพระเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วและมนุษย์ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะเห็นจริงด้วยเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงเป็นโลทรงเป็นที่ริพย์ไแกบ่บรรดาผู้ริพย์ไที่อยู่ในพระองค์เพราะฉะนั้นในข้อที่6ครับอากูได้ให้หลักการที่สําคัญที่เราจะต้องตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าก็คือว่า อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระเจ้าครับคำว่าเพิ่มอะไรเน้หมายความว่าจงใจที่จะเพิ่มหรือมโนหรือคิดเอาเองทึกทักเอาหรือเมาเอาโดยที่ไม่มีหลักการที่ถูกต้องเกรงว่าพระเจ้าจะทรงขนาบเจ้าและเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุสานี่คือสิ่งที่พระกัมภีได้พูดไว้นะครับพระกัมภีพูดชัดเจนครับว่าใครก็ตามที่เพิ่มนะครับในพระัมพีวิวร์บับว่า ทั้งเพิ่มทั้งลดนะครับโปรดระวังนะครับโปรดระวังพระเจ้าจะทรงขนาบและคนที่สอนผิดสอนเพี้ยนนั้นก็จะเป็นคนที่ชอบโกหกหมุษาต่อไปครับข้อ7ข้อ8ข้อ9ครับได้พูดถึงคำอธิษฐานของอากูคำทูลขอของอากู2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ1 ขอให้ความมุสาและความเทดไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์พี่น้องครับอากูนั้นขอให้ชีวิตของเขานั้นมีคุณธรรมมีอินเทกริตี้นะครับอินเทกริตี้แปลว่าความสัตย์ธรรมความซื่อสัตย์ความเที่ยงธรรม I N T E G R I T Y ครับอินเทกริตี้อันที่2ก็คือว่า ขออย่าให้ยากจนเกินไปหรือมั่งคั่งเกินไปขอพอดีพอดีพี่น้องครับนี่คือคําขอที่คลาสสิกมากครับก็คือขอให้คุณธรรมนําชีวิตนะครับและชีวิตนี้ก็ขอชีวิตแค่พอเพียงก็พอแล้วเกรงว่าข้าพง์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์เกรงว่าข้าพง์จะยากจนและขโมยทําให้พระนามของพระองค์เป็นมนตินเมื่อข้าพงษอิ่มข้าพรงค์ก็จะเย่อหยิ่ง และเมื่อข้าพรศ์อิ่มแล้วเย่อหญิงแล้วข้าพงศ์ก็จะปฏิเสธพระองค์และบอกว่าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าที่ข้าพงศ์มีความสําเร็จมีผลงานประสบประสบการณ์สูงมีตําแหน่งใหญ่โตเป็นคนที่สังคมยกย่องนับหน้าถือตามีคนล้อมหน้าล้อมหลังมีคนยกพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้นครับมันไม่ได้แสดงถึงความถ่อมใจในทางกลับกันครับ กลายเป็นความหญิงยะโสแล้วปฏิเสธพระเจ้าแท้จริงแล้วความสาเร็จทุกอย่างของเราครับมีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่ว่าเราจะตระหนักประจักษ์หรือไม่ตรหนักไม่ประจักษ์พี่น้องครับอากูนั้นกำลังบอกกับเราด้วยความจริงที่ว่าทั้งสองสิ่งครับคือการประสบความสาเร็จและความล้มเหลว ทั้งสองสิ่งนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อนสองประการจะกลายเป็นความอ่อนแอของลูกของพระเจ้าที่จะทดลองเรื่องความยิ่งยโสหรือคนคนนั้นจะมีความถ่อมใจมีการรู้จักขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นบททดสอบเรื่องความมั่งมีและความยากจนก็จะทำให้เราอาจจะปฏิเสธพระเจ้าลืมพระเจ้าหรือการที่เราจะ ต้องไปลักขโมยและไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้คําอธิษฐานสองประการของอากูนั้นจะเป็นคําอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายทุกคนคําอธิษฐานแรกก็คือขอทอบทวนนะครับคําอธิษฐานแรกข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ 1. ขอให้ความมุสาและความเ ท, ท็จไกลจากข้าพระองค์สอขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์เถิดขอพระเจ้าช่วยพี่น้องและช่วยผมด้วยนะครับในการที่เราเองนั้นจะไม่หยิ่งยะโสเราจะต้องถ่อมใจลงเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาถึงชีวิตของเรานั้นเป็นพระคุณและพระพรของพระเจ้าขอให้ชีวิตของเรานั้นดำรงอยู่ในความถูกต้องอยู่ในความซื่อสัตย์อยู่ในความยุติธรรมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าชีวิตของเรา มีกินมีใช้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอที่จะรับใช้พระเจ้าก็ดีแล้วชอบแล้วอาเมน